คิงมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ของน้องขวัญที่เขาถ่ายทอดผ่านคุณคิงมาครับผมใช่ครับนี่นะฮะเรื่องว่ า, วาเป็นยังไงเชิญแทครับครับผมอ่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น้องขวัญเขาไดเล่าให้ฟังเสียละ่ะแล้วก็ในผมผมขอเตือนอย่างเลยว่าตั้งแต่เหตุการณ์ที่น้องขวัญเขาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังนะพีนแจ๊กนะเขาก็ได้เหมือนกับไปย้อนรอยเดิมย้อนรอ ย, อยไงเนี่ยผมจะบอกตอนใ น, นท้ายนะครั บ, รบเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ บ้านเช่าหลังหนึ่งที่แถวแถวจรัญ mm hmm. แต่ว่าคงจะบอกซอยไม่ได้นะ mm hmm. แล้วทีนี้น้องเนี่ยสมัยที่ว่าเขาเขาจะต้องเข้ามาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยเพราะว่าน้องเขาเป็นคนประจวบ mm hmm. แล้วทีนี้พอเขาเข้ามาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกแบบอยากจะอยู่เองเนะี mm ่ย hmm. ไม่ต้องให้พ่อแม่มาคุมก็เลยมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่ง mm hmm. ชวนบอกว่าถ้าเกิดว่าแกอยากอยู่แบบเฮฮาแกก็มาอยู่กับพี่ติขวัญ mm hmm. ขวัญก็เลยบอกมันก็ดีนะ ก็ดีแต่ก็ตกตรงนั้นว่าเออพี่ห้ามบ่นขวัญมากนะขวัญเป็นคนติดๆแน่อะไรเง mm ี hmm. ้ยก็้วก็คุยจงมาคุยมาก็โอเคก่ mm hmm. อนจะเข้าไปอยู่เนี่ยพี่คนนั้จะเชื่อพี่คิด mm hmm. แกก็บอกกับน้องขวัญว่าห้องอาที่บ้านพี่เนี่ยมีถามห้อง mm hmm. แล้วก็มีสองชั้นใหญ่ใหญ่ mm hmm. เดี๋ยวจะเอาห้องหนึ่งให้ขวัญอยู่เลยไม่ต้องกลัว mm hmm. อ่าน้องขวัญเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคได้ห้องหนึ่งโอเคแล้วคือไม่ต้องไปรวมไม่ต้องไปวุ่นวายกับใคร mm hmm. วันแรกที่เขาเข้าไปเลยนะที่แจ็คลองมิตสภาพาบ้านก่อนนะครับเข้าไปถึงมันแรกที่ไปเจอนี่คือเดินเข้ามาในบ้านอืรั้วเขาเป็นรั้วแบบไม่ได้ดีแต่ก็ไหลเลยดูสภาพก็น่ากลัวแล้วพอเข้าไปข้างในเสร็จปุ๊บเนี่ยมันดูคือบ้านมันดูโอ๋ถูงแต่ว่ามันไม่จริงๆแบบสภาพแบบสวยงามอแต่รั้ว่ามันกว้างขวางแล้วมันใหญ่โตพอเข้าไปถึงเดินเข้าประตูเข้าไปเนี่ยจะเป็นห้องโถงกว้าง แล้วก็มีปบาอยู่ตรงใต้บันไดนิดนึงลักษณะบา้นบานจันเหมือนบารเหมือนแบบเขาทําอะไรไว้อย่างเงี้ยอแล้วก็เดินผ่านประตูซึ่งประตูไม่มีประตูปิดนะเป็นเหมือนจะเป็นแค่วงกดโล่งๆค่ะก็เดนินเข้าไปอ่าอาไม่ภาพออกอือฮะครับผมแล้วก็ขึ้นไปตรงตาทางขวามือจะเป็นบันไดอือพอขึ้นบันไดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าพอขึ้นบันไดประมาณสามสี่ขั้นแรกมันจะมีไอ้สเตปที่เป็นเรียบๆก่อนหน่อยหนึ่งอ่าฮะถ้าเย็นตรงนั้นจะมองเห็นห้องห้องนึ่งอะไรอยู่ตรงบันไดอะไรพอดีเลยทางขึ้นอ่าอ่ เขาก็เลยเดินขึ้นไปครับแล้วเมื่ไปเสร็จปุ๊บพี่คนชั่วคิดบอกของขวัญนะคือเขาบอกขวัญนี่ขึ้นนะของขวัญนะเดินไปถึงแล้วล้วขวาเข้าไปจนสุดมัเจออืมทีนี้น้องขวัญมันก็บอกว่าเออเขคงมีแค่สามห้องอย่างที่เขากูดมันก็คงหาไม่ยากหรอกค่ะพอขึ้นไปถึงปั๊บเจอห้องแรกก็หันทางขวาเพราะหันทาขวามันเป็นอย่างนี้พีแจอืมมันมีห้องคือขวาเสร็จปุ๊บแล้วมันจะเตะขวาเล็กอีกนิดนึงครับจะเตะขวาเล็กนิดนึงแล้วมันมีห้องน้ําอยู่ตรงนั้นแล้้้้้วมมมัันนนนนีปปรระะตตูอออออ่่่่ซึงงงงยขาาหหํ็คคืเ แล้หนึ่งห้องไปปุ๊เดินผ่านช่องประตูโล่งๆที่มีประตูไมนะ้เป็นวงวกอืมถึงจะไปเจออสองห้องซ้ายขวาออือตกลงมาไม่ใช่สามและคือขวัญก็เ่มงงแ ล, แล้วห้องไหนที่เป็นของเขาไงตอนแรกบอกมีสามห้องใช่ใชก็เลยเกิดการถามขึ้นขึ้นก็ถามเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่บอ่ชิคก็เลยบอกว่าอ๋อ ห, ห้องตรงประตูห้องน้ําำหรอต่ก็นิ่งนิดนึงไม่มีอะไรที่เอาเจ็บของมาเฉยอือขวัญก็อยู่ทางฝั่งนี้สิจะไปยุ่งทำไมฝั่งนู้นล่ะ ไอ้น้องขวัญมันก็โอเคไม่เป็นไรมันก็อยู่ได้เพราะขวัญบคนมันติดพิษแต่สนุกสนุกแล้วอันนี้ก็พออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยตอนแรกไม่มีอะไรนะพี่ไม่มีอะไรเลยอยู่ไปปกติแต่เรื่องมันมาเกิดขึ้นตอนที่เริ่มอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งมันเป็นเดือนละวันหนึ่งน้องเขาคือเขาทางานเป็นเด็กเสิร์ฟด้วยแลก็เรียนด้วยเขาก็พาเพื่อนๆที่ที่ทําร้านเด็กเสิร์ฟเนี่ยเพราะว่าพี่คนชื่อจิ๊เนี่ยเขาก็อยู่คนเดียวทนานแต่เขาจะมาทันทีหนึ่ง ก็พาเพื่อนี่เป็นเดร์เสริฟน่ะมันนั่งดื่มกินกันที่บ้านแล้วก็มีการอันนี้ไม่ดีนะครับคือเขาก็มีการเล่นไพ่กันในวัยรุ่นน่ะนะเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็นาการนั่งคือนั่งชั้นล่างนะพี่แกอจ๊ดนั่งชั้นล่างที่ผมบอกว่าเป็นห้องโถงมันจะมีวงกลมก่อนนี่เดินขึ้นมาเจอบันไดถึงมาทีครับตอนนี้เขาก็นั่งเป็นวงกลมกันนะครับฮัลหลพี่แจได้ยินนะครับได้ยินครับเสียงเสียงคุณคิงชัดเจนดีมากครับตอนนี้ ครับมแล้วก็ทันทีคนนั่งเป็นวงกลมกันลักษณะการนั่งวงกลมคือน้องขวัญเนี่ยจะนั่งอยู่ตรงวงกลบ อ, อยู่ใต้วงกลบแหละใต้วงกลบแหละเมัเมนก็นว่าคือคนนั่งเนี่ยแล้วกลางวันเลยก็ไม่ได้คิดอะไรครับพอหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนเพื่นทุกคนก็นั่งเล่นกันเล่นไปเรื่มาเดินมาขวาัญหลอักษณะปวดคออืออยู่คนนะนะเนาะเป็นไข้กม้มมากมันจะคิดเล็กก็เลยเงยขึ้นพอเงยขึ้นเหมือนแบบสะบักคอครับก็<อ>จะเห็นของที่ตั้งอยู่ข้างบนวงกบซึ่เขาไม่ได้สังเกตมาก่อนครับ น้องขวัญบอกว่าเป็นเหมือนเจ้าแม่กุนอิมที่มีปางหลายๆมือหลายๆกอนนะแต่เขียวค้าไม่ใช่เขียวมรกตเขียวจนแบบอันนี้ขอขอขมาเลยนะครับพูดตามนี่เขพูดนะเขาบอกว่าเขียวเหมือนศกเขียวแบบเขียวศกกระปกเป็นยังไงแต่ไม่ถูกเขียวแบบเป็นครับเขาพูดขี้ตะไคร่อะไรประมาณนั้นอันน่าจะอย่างนั้นเลยนะน่าจะอย่าั้แล้วน้องเขาเพเลยคือจากที่เหงนอยู่เนี้ยเขาก็มองมองนานเลยนะมองมุ๊บ ทั้งบนเหนือวงปกปพี่ทั้งแถบเลยตั้งแต่เหนือวงปกไปจนถึงกำแพงที่ว่าจะเดินลอไปนั้นนะมันจะเป็นกระจกไสปไปหมดเลยนะแล้วก็จะมีของตั้งอยู่ตเงนี้น้องเาก็เลยคิดว่าไม่ทำไมต้งนานไม่เคยสังเกตว่าทเลยถึงเห็นครับก็เลยหันมาถามว่าพี่คิทพี่คิดเห็นด้ไหคนยิ่มไหมอืมคนชุดที่ตึงนิ่งนิดนึงเก็บอกไม่เห็นนะที่ไม่เห็นเมเลยอ้าวฝั่งอะไรบอกนี่เลยพอคือเด็กวัรุ่นเนี่ยพี่แจ็มันกู้เส็ันกรลุกขึ้นยืนแล้วมันก็คว้า พอมันดีนแล้วมันขวาจะแม่คนดีมลงมายไปเลยนี่ไงที่ที่คนชื่อจีก็เลยบอกเหรอที่นี่เห็ยเลยคือเหมือนทำนํำนาเล็กๆเล็กกๆเลยนะแล้วขวัญก็เอานั่งลงตรงวงไพ่นั่งเสร็จตุ๊บก็เหมือนจะกําลังคุยเอ๊ะจะแม่คนดีมีปังนี้ด้วยหรอวะอเพื่อนขวนัญจะตติกำลังบอกเออแล้วก็หยิบมาทําทตุ๊นิ่งกําลังพูดอยู่แล้วเหมือนขาคํานิ่งออืนิ่งเสร็จแล้วก็บอกขวัญ มือไปเก็บครับแล้วคืนในระหว่างนั้นมันเกิด อ, อะไรขึ้นบ้างเนี่ยขวานบักตอนแรกยังไมไ่สังเกตรอบตัวนะว้มัมนไปเก็บถเลยว่าอะไรอยู่วะพบอะไรวะเออ เ, อ, อ, เ อ, อไม่ต้องพูดมากก็ได้แค่นี้แหมเรื่องแค่นี้ก็รู้ขึ้นเราไปเก็บปั๊บขวานบักเดินไปนะก็จะได้เห็นเป็นบันใดเป็นท่องอยู่ข้างๆนั่นเลยนะก็อเอาวางที่เดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลับมานั่งเคลื่อนขวานเพืทุกคนที่เล่นไพ่อยู่นะ่ะก็เงียบ ขันก็พูดอยู่คนเดียวก็เลยบอกเอ้ยเป็นอะไรกันนะวันเนี้และทันทีเพื่อนเขาคนที่นั่งตรงข้ามก็เลยบอกพรายดวงกูไม่ค่อยดีเลยขวัญมือไม่ขึ้นสลับที่กูหน่อยครับญก็เลยบอกอะไรว่าเรื่องมากจังเลยก็เลยสลับที่อสลับที่เสร็จปุ๊เพื่อนเขาก็ลุ้นมองว่าขวัญเป็นเหตุกันณ์อะไรไหมขวัญก็นั่งไเฉยอือคือเล่นไปเล่นไปเืนก็เลยบอกเอาอย่างนี้สลับกันันที่เดิมเหอะกูเจอคนหลังขวัญก็เลยบอกเฮ้เรื่องมากจังเลยว่ะเล่าเถิดางั้นอ่ะก็คือเหมือนจะเลิกก็ ท ำ, น, ทำนู่นทำนี่นั่มันก็เด็กแล้วไงประมาณตีสามตีสี่แล้วก็พับผ้าที่ว่าใช้รองวงเลย น, นะครับพับสะบัดสะบัดแล้วก็บอกว่าทุกคนเข้าไปนอนห้องห้องห้องขวัญหมดเลยคือที่เป็นเพื่อนกันนะเจ้าทีก็พอดีแฟนของพี่จิ๊บเข้ามาพอดีวันนั้นเจ้าเลยเขาก็ไปอยู่ห้องแฟนเขาและน้องชายพี่จิ๊บก็อยู่ห้องเขาแล้วขวัญก็อยู่กับเพื่อนอยู่ดีๆประมาณตีห้าคุณแจงทุกคนเว่ยวายขึ้นหมดครับขวัญก็เลยว่าอะไรฉันวะแล้วขวัญเนี่ยเท่าที่ผมรู้จักอะ คือถ้าเจอเขานอนนีจะโทรไปกวนไม่ได้เลยนะคือเราก็รู้จักกันนะอันนี้ว่าเขาเป็นคนที่เวลานอนจะเงยียบเงียบถ้คนทาให้ตื่นเขาลงอันอไลน์วะคือ ด, าดอ่ า, ก, า, ากันเลยแหละพูดเล็งคําหยาบกันเลยแหละเพื่อนเขาก็บอกยุกขึ้นยุก่อนไม่ลุกขวัญก็หลับตายอยงไม่ลุกมีอะไรพูดเลยลุกอวัญบอกไม่ลุกจนเพื่อนเพื่อนทุกคนต้องตะโกนเขาก็บอกมึงลุกขวัญไค่ลุกขึ้นมามีอะไรนักหนาวะ ก็บอกว่า um> ข้างๆไม่เห็นคนเหรอขวัญก็ะบบมองบอกอย่ากตลบไม่เห็นใครแล้วมันก็นอนตัวลงนอนต่อออแต่เพื่อนก็บอกก็ยังอยู่ข้างๆนั่งขวัญคือไม่รู้เรื่องนอนอย่างเดียวไม่นีอย่าเล่นไม่ชอบเพราะว่าขวาัญเป็นคนกลัวผีเรื่องกลัวผีชนิดที่ว่าอุจจาระขึ้นกระหม่อมเลยนะไม่แกเท่าที่ผมรู้จักมาแล้วเป็นคนอย่างก็เลยบอกไม่เล่นอย่างนี้ไม่เล่นไม่ชอบไม่เอาแล้วก็หันหลังเลยสุมทตายพี่คนที่อจีเจ้าของบ้านเดินออกมาบอกมีอะไรกันแกเห็นทุกคนนิ่งเหมือนแค่ตาอึกอะ แล้วแกก็บอกทุกคนลุกไปนอนอห้องพีอห้องพีไม่มีอะไรครับขวันก็เลยลุกขึ้นมาแล้งบอกอ้าวแล้วแสดง่ห้องนี้มีสิพี่ก็พี่บุนเงี้ยออทุกคนก็เลยเหมือนแบบไปโนไปรวมอยู่ห้องที่คีดควันก็เริ่มแบบคือไม่เห็นนะแต่เริ่มหวันว่นๆแล้วบางคนเล่าผู้เจนเยอะแล้วอาการแปลกนะัะตอนที่ว่าควันไปยกบจะไม่ค่อย ม, มาอืองมก็เลยไปนอนอยู่นั่นอย่างประมาณหกโมงเชา้าครับ หกโมงเช้าประมาณนะครับเพราะว่าฝันว่ก็ไม่เรือนการแตประมาณนะั้นคือที่ตื่นเพราะว่าเสียงที่กิกนกรี๊ดดังลนะ้วอ่ะอืมเจ้าของบ้านะดังนส น, นนะั่นดีหน้าประตูใช่ครับดังสนั่นหน้าประตูใช่ใที่กิ๊เป็นเจ้าของบ้านนะ<ย><ย>พอล็อัญทุกคนคือขันเก็เป็นคนอื่นคงจะด่าแะแต่นกิกคงไม่เล่นแล้วนะเลยพุ่งออกมาเลยประตูมาที่กิกนั่งขี่แตกอยู่ตรงนั้นเลยบรราล่าอยู่ตรงหห้องน่ะครับแล้วก็เขย่าทุกคน Uhm. ขวัญขวัญขวญมันพูดว่าพี่ขวัญมันชนพี่เลยขวัญทุกคนเลยช็อกอะแล้วขวัญคือมั น, น, fire, น, เ, น er, lair, meter, เป็นคนคิดตัวอยู่แล้วไงมันไม่เห็นอะไแต่เขาดูนะเขาเห็นมาทั้งทั้งคืนแล้วอก็เลยบอกว่าอะไรกันวะไปไปไปออกออกก่อนขวัญบอว่าที่คนที่คิดเนี่ยออกจากห้องออกจากบ้านไปพร้อมกับขวัญทุกคนเนี่ยไปหาอะไรกินกันอะคือไปนั่งตรงตรงที่เราแบบไปทั้งชุดฉีอย่างนั้นอะไม่เปลี่ยนเลยกลัวขนาดไหนอะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บ ไปนั่งคุยกันคุยไปคุยมาจนเริ่มสงบปฏิอารมณ์ได้ขวัญก็เลยบอกถามจริงๆเถอะมันเกิดอะไรขึ้นครับทําไมทุกคนมีอาการแปลกแต่ขวัญไม่รู้เรื่องอยู่คนเดียวเนี่ยออืคนก็มองหน้ากันคือขวัญเขาไม่มีใครอยากเล่าหรอกเพราะขวัญกลัวมากคือทุกคนนะ่ถ้าใครพบขวัญจะรู้ว่าขวัญเป็คนกลวงมากคือแตะเสียงนิดเดียวก็ไม่เอาแล้วอ่ะแต่ขวัญบอกว่าต้องการจะรู้เล่าให้ฟังหน่อยอเริ่มต้นย้อนกลับมาที่ตอนนั่งเล่นไพ่อยังไง ตอนที่ขวัญขึ้นประหยิบจากแม่คนอิ่มลงมาแล้วอ่ะเพื่อนก็ถามว่ามึงได้ยินเสียงบันไดไหมขวัญก็มาลังเลนะเออเหมือนจะมีว่าทําไมอ่ะเฮ้มันดังเหมือนมีคนเหยียบบันไดใช่ครับขวัญบอกได้ยินแต่เสียงแต่ไม่รู้เมื่อกี่แอดหลับทําไมอ่ะแล้วก็มองหน้ากันทุกคนเลยนะแล้วบอกทุกคนเห็นมือกันใช่ไหมพอทุกคนมายักหน้าไปคอยขันฟังว่ามันมีผู้หญิงคนนึ่งเดินลงมาจากชั้นบนอุย เดินลงมาแล้วมามองเอาลูกตากันหน้ามันแน่ตรงกระจกแต่ชั้นบนนะตัวหน ว, วงกลมอะมองลงมาที่วงทุกคนเลยแล้วตาเรากเหม่งมากเลยท<อ>ั้งทั้งที่ตอนนั้นทุกคนในบ้านนั่งอยู่ตรงนั้นหมดครับ<ถ>แล้วจับได้วาาา่าลักษณะของผู้หญิงคนนั้นคือเป็นผู้หญิงหัวยีกีฟูฟและหน้าก็ประโปกมากอยืนมองอยู่นั้นแหละจนเพื่อนบอกว่าขวัญเมื่อไปเก็บกรือว่าอะไรเมื่อไปเก็บ<ถ>ขวัญอะไระอยู่วะกู<ถ>บอกให้มึงไปเก็บขว่ญกัลูกไปเก็บ ทุกคนหวังว่าขวัญจะเห็นแต่ขวัญบอกไม่เห็นเพื่อนก็เลยบอกว่าขวัมึงรู้ว่าตอนมึงไปเก็บกเขายังยืนอยู่ข้างขวัญแล้วมองตามมึงด้วยขวัญก็เอามือรูดแขนแล้วมบอกเฮ้ยอย่ามึงเล่นดีกว่านะเนี่ยทุกคนก็บอกไม่ได้เล่นก็ตุ่ถามพี่กีเก็เป็นผู้ใหญ่สุดเนี่ยพี่กีก็พยักหน้าบอกจริงก็ยังงี้ทาไมขวัญไม่เห็นแล้วขวัญมันก็คักกุ้งน้บอกสงสัยขวัญใสฟ้าอยู่คนเดียวมั้งก็บอกน่าจะจริงเพราะตั้งวงไม่มีใครใจเลยแล้วถามว่า แล้วมันเป็นยังไงต่อที่ปลุกตอนประมาณสี่สีที่ห้าคืออะไรเพื่อนทุกคนบอกผู้หญิงคนที่หัวยีกนั่นแหละมันนอนอยู่ข้าง ข, างขวัญโอ้โหแล้วทุกคนเรียกนล้วขวัญไม่รู้ว่าทุกคนพยายามจะช่วยยังไงก็ไม่รู้แต่ขวัญยังหันพอลุกขึ้นมานั่งทีหนึ่งก็เพื่อนบอกอย่างนี้นขวัญไม่เชื่อขวัญล้มตัวลงไปนอนใกล้กว่าเวใจอีกครับเจอพี่พีออกมาเห็นแล้วพี่พีก็เลยแบบอึ้อไงอึอ้งเสร็จะเรียกบอกขวัญทุกคนเขาไปนอนในห้องมีห้องพี่ไม่เี็อะไรอืมอืม แล้วถามว่าจุดผิที่พี่ที่พีคิดเจอเลยคร่พี่คิแกเป็นยกของบ้านใช่แล้วแกเธอแค่นั้นแกก็ไม่ได้คิดว่าแกไปยุ่งกับพระตะอะไรเลยครับแกเลยเปิดประตูลงมาเข้าน้ำเพราะว่าไปด่างน้ำพระเดีมไททำงานครับพอเปิดประตูออกไปเมื่ผู้หญิงคนหัวย่กฟูๆนั่นไปแกล้งวิ่งขึ้นมาได้มาแล้วชนเขาเลยผุ้ยวิ่งแบบสวนขึ้นมาแบงนี้เลยเหรอฮะใช่คือเปิดปแล้วเปิดผ้หญงวิ่งขึ้นมาเลยป้า อะแล้วหน้าแบบเสียแขนแล้วชนปุ๊แปบแกก็แบบขีดและวีดแตกแล้วก็ล้มลงนั่งชีแตกเลยคือแกรับโทษชีวนี่กานที่แบบยึ่งๆิ่งขึาากก้นมาแต่กานล่าแกแต่แกได้แค่อ้าปากะแต่ยังไม่ทันร้องจนช<จ>นพ อ, อชนเสร็จปุ๊บเนี่ยคือว่าล้มลง ก็ปราณลากเลยทีย่แตกปุ๊บแกเลยบอกนี่แหละคือสภาพที่กูกำลังกับมึงนี่แหละขวัญ<ะ>ครับกูเจออย่างนี้ออืปวัญก็เลยบอกเอางี้นะพี่หนูไม่รู้หรอกว่าพี่โกหกหรือเปล่าแต่ทุกคนแต่เอาสภาพกพาพูหน่อยกูไม่เอาแล้วกูไม่อยู่ออพอไม่อยู่แต่ปุ๊บเรื่องนี้ขวัญเล่าให้ผมฟังวันนั้นนะพี่แจ็คเ<ะ>ล่าใหผมฟังระหว่างนั้นอ่ามันเป็นเคมันเป็นที่ทททกูทําเองในเฟซบุ๊กพี่แจ็คก็ทราบใช่ไหมครับขวัญนิ่งว่างผมถามว่าขวัญทำไมลิ่งว่างขวัญบอกไม่คุยแล้วพี่แจ็คไม่คุยแล้วอทำไมอ่ะทำไมอ่ะ คือขวัญบอกว่าทางฝั่งผมขวัญได้ยินเสียงกระดิ่งให้ผมไม่มีแล้วผมก็มาเปิดย้อนดูมันมีจริงๆรพี่แจ๊กระดิ่งไม่ใช่กระดิ่งมันเหมือนกับเป็นแหกระดิ่งข้อเท้าอ่ะอมันก็้าด้วยนะใช่ครับจริงจริงผมก็บอกไม่มีี่ไม่อยู่ตรงนี้แล้วไอ้กาวกาวสองหน้าที่มันแปะไว้เป็นที่แขวนเสื้อผ้าพี่แจ๊คซึ่งผมแปะมานานแลมแรงวันแรมเดือนอะไรเงี้ยอ มันเหนียวมากนะแต่มันหล่นแบบไม่เห็งผลเหมือนคนมันต้องคนจะฆ่าฉะนั้นถึงจะหล่นในวันนั้นที่ทํามันแป๊กแป๊กเหม่ยอะไรนักหนาวะแล้วสิ่งต่อมาที่ทําให้ขวัญแทบจะเลิกคุยจะปุมไปเลยนะพี่แคกน้องเขาไม่สบายหายไปสองวันสองวันเลยออืผมถามว่าเป็นอะไรขวัญโทรมาที่คุณต่อไปที่ไม่ต้องให้หมูเล่าเรื่องผีกลาคืนแล้วนะที่รู้ไหมว่าทําไมออืทําไมอ่ะ วันท in yup. really, ี่ขวัญเล่าผมฟังแล้วขวัญรีบวางไปด้วยนะพี่แจ๊คเพราว่าขวัญเน่ยเขานั่งอยู่คนเดียวในห้องครับแล้วเขาก็คือตะแทงหันหน้าไประหว่างที่พูดเ่นหนูกลัวผีอย่างนี้หันไปปุ๊บเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงคนที่หัวยีแกนั่งอยู่ข้างหลังเขายจงคือพอเขาเล่าเอาเหมือนเขาตามตามเปทุกขวัญก็หันหน้าพอหันหน้าเสร็จเขาเขาอมือเกียวก็เท้าขวัญขวัญเลยเป็นไข้เลยพีแจ๊เป็นไข้ไปเลยตอนนั้นน่ะคือก่อนหน้านตอผมมาคือต้องบอกว่าก่อนหน้าคือขวัญไม่เคยเห็นเลยนะ ไม่เคยเห็นเลยแต่มาเห็นครั้งนี้นะี่เหรอครับ <c oughs> แล้วพอคนคู่ปุ๊บแล้วกอขวัญเรามาเล่าถึงเรื่องนั้นขวัญเจอเลยขวัญบอกนั่นเป็นครั้งแรกที่หนูเจอเขาหัวยิกยิกโอ้ยพี่ จ, จิงเขามานั่งข้างหนูเลยพี่แล้วหนูจะแก้ยังไงเนี่ยครับแล้วตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูไม่อยู่คนเดียวในห้องแล้วหนูไม่กล้ากับห้องเลยพี่จิงผมเลยบอกแล้วเราหายไปไหนมาสอวันหนูเป็นไข้เลยพี่หนูเป็นไข้เขามานั่งแล้วพอหนูวัหลังเสร็จเขาเอานิ้วนิ้วมือเขาอะเขี่ยยุกข้อเท้าหนู คือขวานมอว่าวชั่วโมงนั้นช็อกนอนกอดผ้าห่มจนแป๊บเดียวมันเช้าอ่ะและ้วก็เป็นไข้ดังเดีนั้นเป็นต้นมาเลยครับแล้วผมอ่ามีวันหนึ่งที่ว่าผมมนการคุยกันถึงเรื่องเนี้ยขวานบอกไม่คุยผมก็แบบคือเราเราเป็นคนที่เรียนก็ๆๆรู้ว่าผมชอบแย่เพราะผมแย่พยายามที่จะให้พูดเรื่องเดิมคือเหมือนเราก็แบบอยากรู้ว่าน้องมันกลัวไหมมันมันเป็นไข้น เ, จจ เ, เนี่ยมจริงหรือมันคิดไปเองเงี้ยคปรากฏว่าวันนั้น ขวัญรีบวางไปท่ามกลางที่ผมกำลังคุยอยู่ในในใ น, ในที่ผมทำเรื่องผี<ะ>อ่ะครับผมเ้ยเงยมากเลยคืออะไรอีกวันมึงโทรไปที่เนี่ยเขาเป็นไข้วันนั้นผมรู้สึกผิดมากเลย<ะ>ไข้เป็นเสียงแหบเลย<ะ>เสียงไม่มีเลย<ะ>ผมถามว่าเจออะไรขวัญขวัญบอกว่าเป็นเสียงผู้หญิงพูดคําว่าลูกไม้อะไรนะเรามาที่ลูกไม้เฮ้ยชิวเสียงมันเสียงมาจากไหนอ่ะมันมาจากไหน ไอหนูซึ่งผมนั่งจัดอยูคนเดียวผมนั่งจัดอยู่คนเดียวแล้ ว, ลวขวัญบอกว่าที่หนูวางอะไรที่เป็นเสียงว่าหนมหนูเล่ามาเลล่ามาเแล้วไม่มีเมสียงเด็กแค่แบบบนรถแบ<ต>บคื อ, ค, อคือเอาตามความเข้าใจก่อนน้องขวัญเนี่ยเขโทรศัพท์มาคุยกับคุณคิงอยู่สองคนใช่ไหมฮะก็เหมือนกับว่าคุณคิงเนี่ยเป็นอ่าท่านยกตัวอย่างง่ายคือคุณคิงกําลังทําหน้าที่เหมือนผมอยู่นะตอนนี้น้องขวัญเนี่ยคือคนที่โทรมาเล่าก็โทรเล่ากันไปเล่ากันมาจริงๆแล้วเนี่ยในโทรศัพท์มันต้องเป็นเสียงของคุณคิงอย่างเดียว ครับปรากฏว่าน้องขวันเขาได้ยินเหมือนเสียงผู้หญิงครับเหรอคือเขาบอกว่าเสียงแบบอูดแบบเสียงผมหายไปเลยนะผมอ่ยโอ้ถ้าเกิดอย่างไงผมจะส่งอย่างงี้ให้เป็นเสียงว่าขวัญขวานเฮ้ยขวัญแต่ว่าขวัญน่ยทางฝั่งขวานจะเป็นเสียงใครอะคือผู้หญิงจะไม้พูดแต่เสียงใครอะแล้วว่างไปเลยจริงปาแล้ววันนึงน้องเขากบบเสียงแหบ่มแล้วเขาก็บอกผมว่าพี่กินว่าไม่เสียงเลยปุ๊บดิปุดิปุ๊บดิปุ๊บดิ แล้วก็มีเสียงเด็กแบบเดือดรอนกันะเหมือนประมาณสองตามคนผมบอกขวัญอย่าพูดเล่นดิที่อยู่คนเดียวนะเว้ยนะตรงนั้นแ่ละมันเจริงจริงพี่มันอยู่ที่ทำเขียมายาตเมนทำไม้วเป็นไข้เลยเสียงแงหมดเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอะผมจะบอกเมื่อกี้น่ากลัวนากลัวที่หายนี่ทวทายทำ่เกิันกลางเลยไม่คากลัวเลยอะพีคมาก แล้วมันจะเป็นคิดอยู่สองวันคุณน้องขวัญแกเจอแบบคือผมรู้สึกผิดมากพี่แจ๊คผมผมต้องแบบขวัญพี่ขอโทษจริงๆเลยที่ที่แบบวันนี้จะทํายังไงเลยบอกเดี๋ยวเจอหน้าเดี๋ยวเลี้ยงคาบูแล้วกันส่วนเร่อนี้นนนมันจะดีเลยกว่นี้แล้วะอะแล้วก็อบอกเดลยพี่ให้พักแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าสองสาวันเลย ตอนกลางวันเหน่ขนาะดเลือดไปทํางานนะี่แจกคนาพา ค, ความหลอนคือเหมือนคนนะ่ยพอจิตมันกลัวแล้วอะ hmm. ไปนั่งในห้องน้าก็มีเสียงคนมาขอเลือกต้องต้งๆแล้วกมาถามผมว่าอรเรียกงอะไงไม่มีอะไรเล่นเลยอ hmm. ห้องน้าออฟฟิศเขาอ่ะ hmm. แล้วก็กลับมาบ้าน hmm. ก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยบางทีขึ้นมานั่งอยู่บนอกคือผมคิดใด้ใจว่าโอยการที่เราทําน้อ ง, ของเขาเล่าเนี่ยเขาจะเป็นบ้าหรือเปล่า hmm. อะไแบบบอกไปหาพาร์ทเลยรนะ์อนน้องเขาก็ไปทํามาก็ดีขึ้นนะครก็ดี hmm. ขึ้นแต่คือช่วงนั้นนะ่ะ เขไม่คุยกับผมเลยขนาดจัางวันนะพี่แจคุยโดยตัดกับผมเนะ่ยคุยทางทางเฟสเนี่ยไม่เช่นเดีย น, นะเขาบอกเออขวัญแล้วว่านี้ไม่วายยึดริงชยึดไม่คุยไม่คุยแล้วหนูไม่คุยเลยอย่างนี้เลยนะพี่ออืมอมไม่เอาเลยแหละแล้วผมถามว่าไอเสียงนั้นมันเป็นเสียงที่คิดไปเองไหมอะไรบ้างทิชชู่เสียงพี่หายไปเลยหนูได้ยินชัดๆพูดเหมือนผู้หญิงเยอะเยอะเลยแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องนี้นี่นี่นี่ต้ เนี้เนี่ยลิงก์เสียงนี้เนี่ยคุณคิงยังเก็บไว้อยู่ไหมฮะไ อ, ไอตอนที่ผมผมมันทึกเนี่ยเก็บไว้อยู่ครับแต่ว่าทางฝั่งเราเนี่ยที่ที่อยู่เนี่มันเนแบบไม่มีเสียงแต่ทางฝังง่งฝั่งน้องกวัลเนี่ยจะเป็นแบบเฮ้ยพีคิงที่คิงไม่พูพพดนะเฮ้ยถึมแค่ว่าเป็นใรระวางไปเลยอสามารถส่งลิงก์นี้ให้ผมได้เลยไหมคุณคิงเดี๋ยวเดีวว่าให้ผมจะส่งให้ทั้งสองอันเลยทั้งอันที่ว่าน้องกวัลเราเรื่องเนี้ยแล้วก็แบบ หลอนๆจนสติเสียคือน้องเขาอยู่เหมือนคนอยู่ไม่ตกเลยตรงนั้นแหะส่งแล้วระบุระบุเอ่อเวลาไหมผมด้วยนะครคือถ้ามีเวลาเนี่ยผมอยากจะเปิดคลิปเสียงเนี้ย อ, อักกาศเลยอ่ะอยากฟังอะะ่อองอะไม่รู้ดีบอกไม่รู้แต่ผมว่าน่าฟังอ่ะอยากลองฟังเดี๋ยลองดูนะเดี๋ยลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวต้องต้องใช้ดูว่าวันไหนแต่ว่ารู้แต่ว่าอ่าของไอ้ที่ว่าวันที่เล่าวันแรกเนี่ยตอนที่น้องเขาเล่าปกติแต่ว่าตอนท้ายนี่จะหลอนมากที่ว่าเขาไปเจอผีวันนั้นเลยนะคือวันที่ติแต่ไอ้คิดที่น้องก็ตัดไปเลยเนี่ย เดีผมก็ดูยินว่าวันไห น, นออแล้วเดี๋ยวคุณคิงอธิบายมาแจ้งรายละเอียดมาในคลิปให้ผมหน่อยแล้วกันนะผมจะได้อ่าไม่ต้องหานานบอกว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมจะได้กอไปตรงนั้นเลยแล้วเปิดให้ลองถ้ามีเวลาวันนี้ถ้าทันอยากเปิดให้คุณผู้ฟังฟังผมว่าครัเฮ้ยมันมันมันมันได้อารมณ์แบบเรียวดีอ่ะคือฟังคุณคิงเล่าเรื่องนี้เสร็จปุ๊บไปฟังคลิปเสียงอันนั้นเลยเฮ้ยมันมันได้มากทีนี้เนี่ยรเรากลับมาที่เรื่องนี้กันต่อ เราย้อนกลับไปที่บ้านหลังลนั้นนิดหนึ่งนะคุณคิงครับจริงๆแล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยบ้านพิค ก, กิกอะ่ะเฮ้ยมันต้องไม่มีอะไรอะ่ะแล้วน้องเขาได้มีรเรื่องมาไหมมีครับคืออย่างนี้ครั บ, รบน้องขวัญเขาบอกว่าตอนหลังมาเนี่ยเขาไปเที่ยวบ้านพี่คนอ่อขอบอกทีหนึ่งครับพี่คนชิคดิ้ตัวเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้นะครับน้องขัญบอกนะฮแล้ว เขาไปได้ไปถามคนแหละเจ้าของบ้านนี้ไม่ต้องพูดถึงเขาไม่บอกอยู่แล้วแต่พอไปถามคนอื่นเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยแต่เดิมเลยอ่ะบมันโดนติดตายไว้นะอืแล้วพอติดตายไว้เนะี่ยมันก็เหมือนกับเป็นบ้านร้างหลังหนึ่งแต่มันไม่ได้เป็นบ้านร้างที่เชี่ยหายไม่มีประวัติอืมยู่ดีมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเกิดความเครียดเข้าไปปลูกขอตายรตรงใต้บันไดที่น้งขวัญชอบไปนั่งเล่นทุกวันอืม้งขวัญบอกว่า ที่อินี้เขากพูดให้ฟังและเขาแบบว่าพูดถึงจุดตรงนั้นนะที่ว่าคนเขาไป <ừ m. S 2> ดูเพรามันคือจุดที่หนุ่มเขาไปนั่งเล่นโทรศัพท์ทุกเย็นเลยพี่ออืก <ừ m. S 2> ็เลยบอกมันเป็นเพราอย่างนี้หรือเปล่าเลยทำให้เขาพยายามตามขว่า <c oughs> ครับเพราะว่าเขาไปนั่งในที่ตรงนั้นเงี่ยแล้วไม่เคยมีใครนั่งเล่นที่คนที่ทคิดก็ไม่บอกเพราะเขากลัวอบอกแล้วน้นองขวัญจะอยู่ไม่ได้แต่กลายเป็นว่าต้องรอเจอด้วยตัวเองแล้วเขาไม่เคยเจอกลับจนเขาไม่ร้อยถึงฟังอหะเขามาเจอตามมาถึงห้องขึ้นตอนนี้น้องขวัญอยู่แถวแล้ ว, วว่ามิน คือที่มันที่มันแปลกที่สุดคือเฮ้ยเจ้าของบ้านอ่ะคุณคิงของผู้ฟังครับเขาอยู่มาตลอดเขาไม่เคยเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ออใช่ไหมฮะแต่วันนั้นเนี่ยพอน้องขวัญ ไ, ไปอยู่บ้านแล้วเฮ้ยถึงขนาดทำให้เจ้าของบ้านโทษ น, นะฮะฉีแตกได้เนี่ยโอ้โหเฮ้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจากการที่เขายกรูปปัน้นนั้นออก แต่ส่วนตัวผมนะพี่แจงที่ผมคิดแนี่ผมคิดว่าลูกปั้นตรง น, นั้นคือน้องขวัญเขาก็เปคนไม่รู้จักหรอกว่าอะไรจะไงแต่ผมคิดว่าถ้าจะเอาปรกากฏวิญญาณผมขออันนี้เป็นความเห็นส่นตัว<อ>นะครับอผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าแม่กาลีมากกว่าคือลักษณะหลายๆกรเหมือนกันแต่น้อ ว, นวนันเขาไม่รู้ไงไม่ น, น่าจะใช่เจ้าแม่ไม่น่าจะใช่เจ้าแม่กวนอิมอาไม่น่าใช่ครับก็มีสิทธ์ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้อพูดพูดบุ๊คทำนึกภาพออกขึ้นเลยว่าเออเจ้าแม่กาลีท่านก็มีหลายกรเหมือนกันนะจะมีปางหรอ่ะ ใช่ริบาร์ที่ท่านปรับยักด้วยอะไรเรี่ยน่าจะเป็นอะไรอะไรพวกเนี้ใช่ครับโอ้โหแล้วที่สําคัญคือผู้หญิงคนนั้นน่ะผมยิกยิกเป็นใครอ่ะเพราะ่าเป็นน่าจะเป็นคนที่บูกตายตรงนั้นและจึงมีการตั้งริบารนจะไม่ได้ดีไว้ตรงนั้นริบาร์ผมไม่สนใจไม่แน่ใจคือว่าอะไรเพราะว่าอื ก็ของบ้านเขบอกเพิ่งเจอครั้งนั้นแหละหลังจากที่ขวัญไปยกอันนั้นออกคือเห็นมาตลอดตั้งแต่เดินลงบันไดมาแอดแอดแอพอทันทีที่ขวัญยกลงมานั่งวางที่ตักปุ๊บเขาเดินลงไรนั้นะแล้วมามองปุ๊บตรงกระจกแบบมองว่าลงมาตรงวงไพที่นั่เล่นกันอยู่และขวัญเอาขึ้นไปเก็บเขาก็ยังยืนมองอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปเจออีกครั้งนึงคือตอนที่นอนอยู่ข้างขวัญแล้วมาเจอด้วยเองที่ตอนที่เปิดประตูไปแล้ววิ่งขึ้นมาซึ่งวิ่งขึ้นมาชนหัอ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าวิ่งคล้อะ คือถ้ารเรามองกันแบบในความในความเป็นจริงเป็นไปได้นะฮะมัาเหมือนมีอะไรบางอย่างไปดนบันดาลให้น้องขวัญเขาต้องไปยกรูปปั้นนี้ลงมาหรือเปล่าซึ่งตามเป็นจริงแล้วอ่ะคือคนทั่วไปคนธรรมดาอย่างเช่นผมอย่างเช่นคุณคิงหรือว่าคนอื่นเนี่ยถ้าเห็นก็คือเห็นจะไม่ยกลงมายืนยันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เด็ดขาดถูกไหมคือคดิ้นไปยกลงมาทําไมอ่ะถูกไหมคือจะบอกว่าพิธเป็นพิธีเป็นความผิดของพิจิต ถ้าบุรุษโตเลยนะถ้าพี่อบอกว่าอ๋อเออนนั้นน่ะเอาไว้งั้นแหละอย่าหยุกระไรไปแต่พี่พี่จะบอกจริงๆแครเห็นหแต่จะแกล้งบอกฝั่งว่าไม่เห็นคือไม่อยากให้ขวัญยุ่งไงถ้าเป็นคนโตเขคงจะบอกอ๋อถ้าไม่นี่ก็คงมายุ่งแต่ประเดี๋วขวัญมันไวรุ่นเขาพูดเออี่นี่เห็นามันลุกขึ้นกวดแล้วมันยิบมาเลยไงผมตั้งใจองกบปรดีง<อ>๋งเงี้ยเหมือนต้องการยืนยันว่านี่หนูไม่ได้พูดเล่นเราเห็นจริงอะประมาณเนี้ยครับมีมีข้อมูลเข้ามานะคุณคิงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะวว่่่่่่าาาาาาาาใชหหรืออเเเเเปลลค้บกกแแตจมมีีนย เอาไว้ในบ้านไม่ใช่เหรอคะอันนี้ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องท่คล้องเฉยเนะอ้อ้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเนเจ้าแม่คนยินเนี่ยผมก็ไม่ไม่ไม่ตั้งแต่เอ็นนี่มาก็ไม่เคยยินว่าเจ้าแม่คนยินไปตะโกนนะไม่เคยเลนะครับไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่้าคนยินท่านจะเป็นในในส่วนของเทพที่แบบว่าเทพในทางใช่ครับสูงใช่ครับไม่ตานะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามองถึงเจ้าแม่กาลีอะโอเคอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิญญาณเรื่องของอ เรื่องของพู้ผีปีศาจไม่รู้นะความรู้สึกผมเฉยๆแตไม่รู้ว่าท่านเกี่ยวหรือเปล่านะแต่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเจ้ากม่กันินเนี่ยผมก็นึกว่านึกยังไงจะาแมไม่หอกอเขาคงไม่เอาเจ้าแม่กัดินไปขกดแต่จ้แม่กาลีเนี่ยก็อันนี้อันนี้เราไม่ได้ขัดแย้งกันเราเราคุยกันนะครับคนบูชาก็มีนะอย่างเรางหอยที่ต้องเดือนก็บูชาเจ้าแม่กาลีไว้ในบ้านครับนั้นอยู่ตัวทุกวันเลยมีรูปเป็นหน้าวอลเป็นเจ้าแม่กาลีหมดน่าจะเป็นไปได้นะครับออเพราะว่าเขาเป็นไม่ใช่ว่าเป็นทางด้านลบแต่เขาปากยัก เรื่องประวัติคือรุนแรงไป่อยประว<ม>ัติคือก็เกิดอนว่าเหมือนกับว่าทำให้แผนดินเป็นลูกเป็นไฟอะไรอย่างเงี้ยครับงงก็เป็นไปได้เหมืนโอนกันโอ้โหคุณคิงนี่มาแต่ละครั้งนี่นะคือว้ายเรื่องเมื่อกี้มันพีคจริงนะคือมันมันไล่ระดับมันไล่สเต็กมาตั้งแต่แบบค่อยค่อยค่อยคอยค่อย ๆ, อย ๆ, อยๆอยขึ้นไปผมว่ามาพีคมันมาจุดมาจุดที่แบบโอ้โหขวัญเจอหนักมากทุกวันนี้ยังคุยกับน้องอยู่ไหม อ๋อน้องเขางานครับก็ไม่ใช่ดูเวลาแล้วผมอยางผมไม่ไม่ไม่ได้ทํารายเพราะว่าช่วงนี้ก็เอี่ยนที่เราต้ากันอยู่เกี่ยวามบสงข้าของคนทั้งประเทศนะฮะจะเลยไม่ได้ทําไปเป็นเดือนเดือนเหมือนกันเกืบเดือนหรือเดือนอะฮะอ๋อนี่เขาบอกมาว่าเจ้าแม่ก๊าลีเนี่ยไว้ในบ้านได้นะอ่าแล้วก็มีก็มีผมเชื่อว่าก็มีคนบูชาอ่ะอาไว้ในบ้านก็มีเหมือนกันอความเชื่ออาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ผมเชื่อว่าคนที่เชื่อแล้วก็บูชาเจ้าแม่ นะครับก็ก็น่าจะมีบูชาไว้ในบ้านเอาไว้ขอพรเอาไว้อะไรพวกนี้โอ้นะครับโอ้โหเาขาบอกว่าเจ้าแม่กาลีเอาไว้ขจัดสิ่งชั่วร้ายหรือว่าพวกปรบับอะไรทํานองนั้นโอ้ขอบคุณมากนะฮนะนะแล้วก็มีบางท่านก็บอกว่าเจ้าแม่กาลีเนี่ยส่วนมากจะอยู่ตามเทวไลัยที่เราที่เรารที่เรารเคยเคยเห็นก<ๆ>ัน โอ้อโหคุณคิงโอยคุณคิงเดีกยแบบถ้าเป็นไปได้นะคุณคิงผมไม่รู้ว่ามันใช้เวลานานขนาดไหนในการที่คุณคิงจะหาคลิปเสียงเนี้ยแล้วคุณคิงส่งไหมให้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำเลยพี่แดงเดี๋ยวทาเลยแล้วส่งให้พี่เลยไอไอวันที่สิบเนี่ยผมผมพอรู้อยู่ว่ามันช่วงเวลาไหนแต่วันหนึ่งที่ว่าน้องขวัญแกพี่ชิงจะไม่พูดอ่ะ เฮ้เขียนใครอ่ะเ ด, ดี๋ยวผมต้องดูวันวันไหนเพราะว่ า, าวผมประจําไม่ได้นะเราดูแต่หน้าเดี๋ยวจะต่อกันนะฮะอันเนี้ยน่าฟังมากเลยไงคุณคิงระบุให้ทําไมผมนิด น, นึง น, นะถ้าส่งมาปุ๊บเนี่ยตอนนี้คือผมเปิดคอมรอละเพราะว่าไอ้คอมเตอร์มันสามารถเปิดแล้วเปิดออกเสียงได้เลยก็ก็อลองฟังหนเหมือนกันว่าเฮ้ยบรรยากาศนะวันนั้นนี่มันเป็นยังไงทั้งหมดมันมีสองคลิปใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคโอเคได้คุณคิงคุณคิงไม่เคยทําให้ให้พวกเราเดอะโกสเลเดโอผิดหวังจริงนะฮะ อู๋หลายคนนี่ต้องบอกเลยว่าสมกับการรอคอยที่รอคุณคิงมาเออแล้วแฟนขับเยอะใช่ไครับผมก็คิดว่าวันนี้เรื่องจะซอไปหรือเปล่านะเพราะเป็นเรื่องของเขาปากเขาเล่าอะไรนะแต่ว่าพอทราบจากว่าพอใจนี่ก็โอเคนะครับโอ้หน้ากลัวมากหน้ากลัวมากเรื่องนี้ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องถูกบันทึกไว้เลยนะครับหน้ากลัวฮะครับโอ้ได้ฮะเดี๋ยวยังไงก็คุณคิงลองลองส่งมาดูนะ ทางอินบ็อกซ์นะฮะของทางแฟนเพจ The g โก s t r a d ดีอนะครับถ้าถ้าเวลาทางผมจะได้เปิดเลยนะฮะโอเคขอบคุณมากๆครับครับแจ็คสวัสดีครับนะครับพี่แเช่นเดียวกันครับคุณคิงครับสวัสดีครับ